เจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่เจ็กพุทธสาคลมพุทธศักราช2555 <c oughs> เป็นวันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคลสำหรับท่านที่ชอบทำบุญชอบมาวัด ก็ถือว่าได้กำไรอีกหนึ่งวันาะไม่ต้องไปทำงานเลยมีเวลาที่จะมาวัดเพื่อที่จะมาสะสมทรัพย์ภายในทรัพย์ที่แท้จริงทรัพย์ที่เราสามารถเอาติดตัวไปได้หลังจากที่เราตายไปแล้วทรัพย์ภายนอกนี้เอาไปไม่ได้ แต่ทราบภายในคือบุญบา ร, รมีต่างเอาไปได้ผู้ที่มีบุญบา ร, รมีมากเวลาไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขความเจริญมากกว่าผู้ที่มีบุญบา ร, รมีน้อยกว่าเหมือนกับชาตินี้ที่พวกเรา มีความแตกต่างกันในเรื่องของความสุขความเจริญในด้านลากยศสรรเสริญก็ดีในด้านเรื่องอายุวันนะสุขะภะก็ดีล้วนเป็นผลที่เกิดจากการสร้างบุญบา ร, รมีมาไม่เท่ากันนั่นเองผู้ที่ได้สะสมบุญบา ร, รมีมามากก็จะเจริญด้วยลาบยศสรรเสริญสุข จเจริญด้วยอายุวันณสุขภละมากผู้ที่สร้างบุญบารมีมาน้อยก็จ ะ, จะเจริญในเรื่องของลาบยศสรเสริญสุดในเรื่องของอายุวันณสุขภะน้อยกว่าอย่างนั้นถ้าพวกเราอยากที่จะได้พบกับความสุขความจเจริญมากขึ้นไปตามลำดับ มากกว่าที่เรามีอยู่ที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เราต้องขวนขวายสร้างบุญบารมีกันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าเวลาที่พวกเรามีอยู่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีมากหรือมีน้อยเท่าไรไม่ควรที่ไม่ควรประมาทไม่ควรผัดวันประกานพรุ่ง อย่าไปคิดว่าไว้ค่อยทําพรุ่งนี้ก็ได้หรือไว้ค่อยทําตอนที่เราแก่แล้วก็ได้เพราะวันนั้นอาจจะไม่มีสําหรับเราก็ได้ไม่มีใครรู้ถ้าไม่ทําเสียแต่วันนี้รอไปทําวันข้างหน้าพอไม่มีวันข้างหน้าเราก็จะไปแบบขอทานไปแบบคนที่ไม่มีบุญบรารมีติดตัวไป ก็จะไปยากลำบากทั้งในขณะที่ยังไม่เกิดคือในขณะที่เป็นกายทิพย์ต่างๆก็จะเป็นกายทิพย์ที่อยากที่มีแต่ความทุกข์มีความเสื่อมมากกว่าความสุขและความเจริญนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสัตรู้แล้วด้วยความ เมตตากรุณาสงสารสัตว์โลกที่ยังไม่รู้ว่าตนเองต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้ว่าตนเองยังต้องสร้างบุญบา ร, รมีเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองปรารถนานั่นก็คือความสุขและความเจริญไม่ว่าอย่าไม่ว่าจะอยู่ในภพใดภูมิใดก็ตาม บุญบรารมีนี้จะเป็นผู้ที่คอยดูแลรักษาชีวิตจิตใจของเราให้มีความโล่มเย็ยนเป็นสุขให้มีความเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับจนไปถึงความเจริญที่สูงสุดก็คือการได้บรรลุมรรคผลนิพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด นี่คือรางวัลที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มันสร้างบุญบารมีกันอย่างต่อเนื่องบุญบารมีที่เรามาสร้างกันนี้ก็มีหลายประการด้วยกันเช่นทานบารมีคือการให้ศีลบารมีคือการละเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่น ละเว้นจากการกระทำบาปทั้งหลายนีขัมมะบาณีก็คือการออกจากการหาความสุขที่ไม่ถาวรที่มีความทุกข์ตามมาก็คือการมาสุขการออกจากการมาสุขก็คือการมาอยู่วัดมาบำเพ็ญมาบวชถือศีลนั่นเอง จะถือศีลอย่างน้อยก็ต้องศีนแปดขึ้นไปถึงจะเรียกว่าเนกขมมะบารมีศีลห้านี้เป็นศีนบารมีถ้าอยากได้เนกขมมะบารมีก็ต้องรักษาเพิ่มอีกสาข้อคือไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่นอนบนพื้นไม่นอนบนฟูกหนาๆไม่ หาความสุขจากลูกเสียงกินลดต่างๆเช่นดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆและศีลก็สามก็ต้องเปลี่ยนจากกาเมมาเป็นอ布 ร, รมัจาริยาคือถ้าถือแสงศีลห้าอย่างร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้แต่ถ้าถือ้อศีลแปก็จะละเว้นการร่วมหลับนอน แม้จะเป็นคู่ครองของตนวันนั้นหรือเวลานั้นต้องแยกกันนอนคนละห้องหรือแยกกันนอนกันคนละบ้านเช่นคนหนึ่งอยู่บ้านอีกคนหนึ่งมาอยู่วัดถ้ามาอยู่วัดด้วยกันก็ต้องอยู่กันคนละที่ไม่อยู่ใกล้กันเพราะ <c oughs> เพศหญิงเพศชายนี้ก็เป็นเหมือนน้ำมันกับไฟนั่นเองถ้าอยู่ใกล้กันแล้ว เดี๋ยวไฟจะลุกขึ้นมาไฟแห่งการมราคะนี่เองไฟแห่งกามชันทะถ้าต้องการออกจากการมราคะออกจากการมชันทะก็ต้องถือศีลแปดและไม่อยู่ใกล้กับคู่ครองของตน <c oughs> นี่คือนิยรรมะบาณีที่ท่านทั้งหลายได้มาบำเพทกันที่ นุ่งขาวห่มขาวนี้แสดงว่าถือศีลแปดกันเือว่ากำลังสร้างเนคขมะบามีกันแล้วก็นอกจากนั้นก็มาสร้างปัญญาบามีปัญญาบามีก็คือการฟังเทศควางธรรมอุเบกขาบามีก็คือการทำใจให้เป็นกลางเป็นอุเบกขาด้วยการนั่งสมาธิ เมตตาบานีก็คือการมีความเมตตาต่อผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เช่นเราจะเริญบทเมตตาภาวนากันว่าสัพเพสัตตาอเวราหตุตุเราจะไม่มีเวรกับสัตสัตทั้งหลายอัปยาปชาหงตุเราจะไม่เบียดเบียนสัตทั้งหลายอัน อา น, นิกาโวหนวตุเราจะไม่ทำบาป ท, ทำกรรมให้แก่ผู้สุขีอัตตนัมปริหารังตุเราจะมีความปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญ น, นี่คือเมตตาบรารมีการที่จะสร้างบรารมีทั้งหมดเหล่านี้ได้ ก็ต้องมีอธิษฐานบา ร, รมีอธิษฐานนี้แปลว่าความตั้มใจที่จะทําบา ร, รมีต่างๆเช่นอธิษฐานว่าจะสร้างทานบา ร, รมีไปเรื่อยๆจะสร้างศีลบา ร, รมีไปเรื่อยๆจะสร้างเนกขั ม, มะบา ร, รมีไปเรื่อยๆการอธิษฐานนี้ต้องอธิษฐานที่เหตุ ไม่ใช่ไปอธิษฐานที่ผลเช่นอธิษฐานว่าขอให้ได้บุญบา ร, รมีขอให้ได้พบชาติที่ดีขอให้ได้บรรลุมรรคผลผนิพพานการตั้งแบบนี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรเพราะมันเป็นผลผลจะเกิดก็ต่อเมื่อมีเหตุเหตุก็คือการสร้างบา ร, รมีต่างๆที่เราต้องสร้างด้วยตัวเราเอง ไม่ใช่อธิษฐานขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ได้บรรลุนักผลนิพพานอย่างนี้ขอไปจวันตายก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นเหตุที่ทําจะทําให้เกิดนักผลนิพพานขึ้นมาเหตุที่จะทําให้เกิดนักผลนิพพานขึ้นมาก็คือการสร้างฐ า, บานบารมีศีลบารมี ในกรร ม, มบารมีปัญญาบารมีอุเบกขาบารมีเมตตาบารมีดังนั้นเวลาเราอธิษฐานขอให้เอาเราอธิษฐานที่เหตุคือการกระทำอย่าไปอธิษฐานที่ผลผลไม่ต้องอธิษฐานถ้ามีเหตุผลจะต้องตามมาอย่างแน่นอนถ้าอยากได้อะไรก็ทัาทำใหเหตุ ที่ทำให้สิ่งที่เราอยากได้เกิดขึ้นถ้าอยากจะเรียนจบมหาวิทยาลัยเราก็ต้องตั้งอธิษฐานว่าจะตั้งใจเรียนหนังสืออย่างเต็มที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ครบบริบูรณ์ถ้าทำครบแล้วผลก็คือการจบปริญญาก็จะเป็นผลตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นการอธิษฐาน ของทางพระพุทธศาสนามีให้อธิษฐานที่เหตุอย่าไปอธิษฐานที่ผลอย่าไปขอให้เรียนจบแล้วก็ไม่เรียนไปเล่นไปเที่ยวอธิษฐานนี้จนวันตายก็ไม่มีวันที่จะเรียนจบได้ให้อธิษฐานที่เหตุคือการกระทาของเรา เ, เมื่อเราได้อธิษฐานแล้วเราก็ต้องมีสัจจะ คือความจริงใจต่อความตั้งใจของเราเราตั้งใจจะทําทอะไรถ้าเรามีสัจจะเราก็จะต้องทําตามที่เราตั้งใจไว้เหมือนกับเราให้คํามั่นสัญญากับใครถ้าเรามีสัจจะเราก็จะต้องทําตามที่เราให้คํามั่นสัญญาเช่นเราให้คํามั่นสัญญาต่อสามีภรรยาของเราว่าจะอยู่กันไปจนวันตาย ไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์ก็จะอยู่กันไปจนกว่าจะตายจากกันไปถ้าผู้ที่ตั้งใจอย่างนี้แล้วถ้ามีสัจจะ ก, ก็จะอยู่กันไปตลอดไม่มีการหย่าร้างกันอย่างแน่นอนแต่ถ้าไม่มีสัจจะพอไปเจอความทุกข์ยากลําบากก็อาจจะเปลี่ยนใจก็ไม่ไหวแล้วอยู่ด้วยกันไม่มีความสุขเลยสู้หย่ากันดีกว่า อย่างนี้แสดงว่าไม่มีสัจจะตั้งอธิฐานไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการที่เราจะตั้งอธิฐานและทาให้เกิดประโยชน์ได้เกิดผลได้เราต้องมีสัจจะเช่นพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงนั่งประทับอยู่ที่ใต้ต้นโพตอนก่อนที่พระองค์จะทรงตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่า จะนั่งภาวนาอยู่ที่ใต้ต้นไม้โขนต้นไม้นี้ไปจนกว่าจะตัดสรลุจนกว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายถ้ายังไม่ตัดสรลุยยังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปโดยเด็ดขาดถึงแม้ว่าเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็ตามจะไม่ลุกขึ้นไปโดยเด็ดขาด นี่คือสัจจะอธิษฐานของพระพุทธเจ้าจึงทำให้พระองค์ต้องภาวนาอย่างเต็มที่เพราะถ้าไม่ภาวนาก็จะไม่มีวันที่จะตัดสรูวได้นั่งไปจนันตายก็จะไม่ตัดสรูการตั้งสัจจะอธิษฐานแบบนี้จะเป็นการบังคับให้เราต้องทำในสิ่งที่เราตั้งใจไว้เราก็ต้องมี บารามีอีกข้อหนึ่งที่เรียกว่าวิมิยบาลมีเมื่อเราตั้งสัจจะจะทำอะไรแล้วเราก็ต้องมีความขยันภาคเพียรที่จะทำตามที่เราตั้งใจเอาไว้ถึงแม้ว่าจะทุกข์จะยากจะลำบากอย่างไรก็ไม่ท้อแท้ไม่ยอมแท้แต่งานกันแล้วก็จะอยู่กันไปจนวันตายถึงแม้ว่าจะทุกข์จะยากจะลำบากอย่างไร ก็จะทาก็จะสู้ไม่ถอยนอกจากสู้ไม่ถอยแล้วก็ต้องมีอีกข้อหนึ่งก็ต้องมีขันติบารณีต้องมีความอดทนเพราะถ้าไม่มีความอดทนแล้วจะทนอยู่กับความทุกข์ความยากลำบากไม่ได้แต่ถ้ามีความอดทนแล้วถึงแม้ความตายก็ไม่สามารถที่จะมายับยั้ง ความตั้งใจของเราได้นี่คือบารมีต่างๆที่เราควรที่จะสร้างกันขึ้นมาถ้าเราอยากจะได้สิ่งที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็ตามเราต้องมีอธิษฐานบารมีสั จ, จบารมีวิริยะบาลมีขันติบารมี ถ้าเรามีบารมีทั้งสี่ประการนี้แล้วเราอยากจะได้อะไรเราจะได้อย่างแน่นอนช้าหรู้เร็วเท่านั้นเองจะต้องได้แ น, น่ๆอย่างพระพุทธเจ้านี้ก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอย่างพวกนักศึกษาก็จะได้จบปริญญาตีโทเองถ้ามีความตั้งใจอยากจะได้อะไรแล้วมีความจริงใจ มีความกระยันมีความอดทนรับรองได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองปรารถนาจะได้มาอย่างแน่นอนยกเว้นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เท่านั้นเช่นอยากจะให้น้ํากลายเป็นน้ํามันอย่างนี้ถ้าอยากแบบนี้อยากไปจำนวนตายก็ไม่ได้หรืออยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างนี้ก็อยากไม่ได้ อยากไปจนวันตายก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายดังนั้นการที่เรามีความอยากเราต้องดูว่ามันเป็นได้เป็นไปได้หรือไม่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้อย่าไปอยากเพราะว่าจะสร้างความทุกข์ให้กับเราเช่นเราอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้มันจะสร้างความทุกข์ให้กับเรา าะจะทำให้เรากลัวความแก่ก <c oughs> ลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวความตายทั้งๆ ท, ที่สิ่งเหล่านี้ไม่น่ากลัวเลยแต่เราไปสร้างความน่ากลัวขึ้นมาเองเพราะเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายถ้าเรายอมรับความจริงว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาเราก็จะไม่ กลัวเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะเราจะทำใจของเราให้เป็นอุเบกขานั่นเองคือทำใจให้เฉยให้ปล่อยวางเช่นเดียวกับการพัดพรากจากสิ่งต่างๆที่เรารักพวกเราเกิดมานี้เราก็ได้พบกับสิ่งที่เรารักและเราก็อยากจะให้สิ่งที่เรารักอยู่กับเราไปตลอดแต่ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะเกิดมาแล้วย่อมมีการพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดาเราก็ต้องอย่าไปอยากไม่พัดพลาดจากกันถ้าเราไม่อยากจะต้องทุกข์ทรมานใจเศร้าโศกเสียใจถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเวลาเกิดการพัดพลาดจากสิ่งที่เรารักอย่างมากเราอาจจะไม่มีกําลังใจ ที่จะอยู่ต่อไปก็ได้แต่ถ้าเรารู้ไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยากไม่พัดพาดจากกันไม่ได้ต้องพัดพลาดจากกันต้องคอยยำ้ำคอยเตือนคอยสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดาถ้าเราคอยเตือนคอย ย้ำอยู่เรื่อยๆใจของเราก็จะไม่กล้าไปอยากให้เป็นอย่างอื่นพอเราไม่มีความอยากให้เป็นอย่างอื่นเราก็จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี่คือเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างบารมีโดยเฉพาะปัญญาบารมี เพราะเราจะได้ยินได้ฟังธรรมะที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนหรือธรรมะที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อเราฟังซ้ำอีกเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลาดับแล้วก็จะขจัดความสงสัยที่มีอยู่ภายในใจไปได้ทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้อง ที่เช่นเห็นว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาดจากการเป็นธรรมดาอันนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องถ้าความเห็นที่ไม่ถูกต้องก็คือเกิดมาแล้วต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พัดพลาดจากกัรอันนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบความเห็นกงจักเป็นดอกบัว เห็นกับตาละปรัดกับความจริงนั่นเองความจริงเป็นอย่างไรเราต้องมองให้เห็นตามความจริง <it> เพื่อเราจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนั่นเอง <im it> เมื่อเราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนเช่นเรารู้ว่าฝนจะตกเราก็เตรียมร่มเอาไว้พอฝนตกเราก็กางร่มได้แต่ถ้าเราปฏิเสธว่าวันนี้ฝนไม่ตกเราไม่ต้องเอาร่มไป พอเดินไปกลางทางฝนตกลงมาไม่มีร่มกางก็จะเปียกไปทั้งหมดชั้นใดความแก่ความเจ็บความตายการพลาดพลาคจากกันก็เป็นอย่างนั้นเราต้องรู้ว่าต้องเกิดแน่ๆ แ, แล้วควรจะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์นั้นด้วยการไม่ได้อยากให้เป็นอย่างอื่นพร้อมที่ให้เขาเกิดถ้าเราความแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์ใจของเราจะไม่ไหวไหล เพราะใจเราไม่ได้เป็นผู้ที่แก่ผู้ที่เจ็บผู้ที่ตายนั่นเองผู้ที่แก่ที่เจ็บที่ตายเขาไม่รู้ว่าเขาแก่เขาเจ็บเขาตายคือร่างกายร่างกายนี้เป็นวัตถุทำมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนศาลาหลังนี้เขาไม่รู้ว่าเขาจะถูกฝนสาดฝนตกหรือแดดร้อนกระทบใส่เขาเขาก็ตั้งอยู่ของเขาได้ไม่เดือดร้อน ฝนจะตกแต่จะออกร้อนขนาดไหนเขาก็ไม่เดือดร้อนฉันใดร่างกายนี้ก็เหมือนกันร่างกายนี้จะแก่จะเจ็บจะตายเขาก็ไม่เดือดร้อนแต่ผู้ที่เดือดร้อนก็คือผู้ที่ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายเพราะอะไรเพราะความหลงนั่นเองความโง่ที่ไม่รู้ความจริงว่าตนเองไม่ได้แก่ ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายกับร่างกายเหมือนกับคนที่นั่งดูละครคนดูละครไม่ได้เป็นอะไรไปกับตัวละครตัวละครที่เขาเล่นบนเวทีเขาก็เล่นบทต่างๆตัวบางตัวก็ต้องตายไปแต่คนดูไม่ได้ตายไปกับคนแสดงแต่บางทีคนดูกลับไปกลัวแทนคนแสดงไม่อยากให้คนแสดงนั้นตายไป ก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาโดยใช่เหตุใจของเรานี้เป็นเหมือนคนดูส่วนร่างกายนี้เป็นเหมือนตัวละครเราต้องรู้ว่าตัวละครของเรานี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากสิ่งต่างๆเพราะนี่เป็นบทของเขาที่เขาจะต้องเล่นเพราะเขามาเกิดอยู่ในโลกที่จะต้องเป็นอย่างนี้โลกของความเกิดแก่เจ็บตาย โลกของการพัดพลาคจากกันแต่ใจผู้ที่ดูละครนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไม่ได้พัดพลากจากใครทั้งนั้นดังนั้นถ้าเราทำใจให้นิ่งให้สงบได้ให้เป็นอุเบกขาได้เราจะไม่เดือดร้อนปัญหาของเราคือตอนนี้เราไม่สามารถทำใจให้นิ่งได้นั่นเอง เราถึงต้องมาถือเนคคัมมะกันมาถือศีลแปดกันเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาฝึกทําใจให้สงบนั่นเองทาใจให้เป็นอุบเบกขาถ้าเราไม่มาถือศีลวันนี้เราคงไปเที่ยวกันแล้วหรือถ้าไม่เที่ยวก็ยังไม่เต่มขอนอนก่อนนอนให้สบายพอนอนจนนอนไม่ไหวแล้วก็ลุกขึ้นมา ทีนี้ก็ต้องหาเรื่องทานะก็ออกไปเที่ยวดีกว่าไปเดินตามห้างร้านต่างๆไปกินไปดื่มกันไปดูหนังฟังเพลงกันอย่างนี้ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาทำใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขาได้พอเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายเจอการพลาดพลาดจากกันก็ทำใจไม่ได้ เพราะเราไม่มีเวลามาทํากันนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามาเจริญเนกขมมะบารลีกันมาถือศีลแปดกันมาบวชกันบวชเป็นชีบ้างบวชเป็นพระบ้างบวชเป็นสัมมาเนงบ้างเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาฝึกใจมาทําใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นกลางให้ได้ ถ้าเราทาใจให้นิ่งให้สงบได้แล้วเราจะอยู่เหนือความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายการพัดพรากจากกันนี่แหละเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่มีใครบ้างอยากจะทุกข์ไม่มีใครอยากจะทุกข์แต่เราไม่รู้จักวิธีดับทุกข์กันเรากลับไปทำ เรากลับไปดับทุกข์ด้วยวิธีที่สร้างความทุกข์ให้เพิ่มมากขึ้นเช่นเวลามีความเหงาว้าเวอยู่บ้านไม่ได้ก็ต้องโทรไปหาเพื่อนแล้วก็ชวนเพื่อนออกไปเที่ยวกันไปเที่ยวไปกินไปเดิ่กันพอกลับมาบ้านก็เหวาเหงาว้าเวเหมือนเดิมเพราะเราทําใจให้นิ่งไม่ได้ทําใจให้สงบไม่ได้แทนที่จะอยู่บ้านแล้วหัดทําใจให้สงบ นั่งหลับตาพุโทโธพุธโทโธไปหรือสวดมนไปใจก็จะนิ่งใจก็จะสบายกลับไม่ทากันกลับไปดับด้วยการสร้างความอยากสร้างความทุกข์ให้เพิ่มมากขึ้นพอเมื่อได้ออกไปแล้ววันต่อไปก็อยากจะออกไปอีกถ้าไม่ได้ออกก็จะหมดหุดหยิดลำคาญใจเศร้าซ้อยหงอยเหงาแต่ถ้าไม่ออกไปอยู่บ้าน สวนมนต์ไปนั่งสมาธิไปพอใจสงบก็มีความสุขก็ไม่อยากจะออกไปข้างนอกแล้วต่อไปก็ไม่ต้องออกไปอยู่บ้านแสนจะสบายไม่ต้องไปเหนื่อยไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองเสียเวลานี่คือวิธีแก้ความทุกข์ที่แท้จริงต้องแก้ที่ใจต้องทำใจของเราให้สงบให้นิ่งเพื่อเราจะได้ละความอยากต่างๆได้ หยุดความอยากต่างๆได้หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พลัดพากจากกันได้หยุดความอยากจะออกไปเที่ยวข้างนอกได้เมื่อเราหยุดได้แล้วไม่มีที่ไหนจะสุขเท่ากับบ้านของเราบ้านของเรานี้จะเป็นเหมือนสวรรค์ทั้งเป็นเลยเราเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นเลยเพราะใจของเราเป็นสวรรค์นั่นเองใจของเรามีความสุขเพราะไม่มีความอยากนั่นเอง นี่คือเรื่องของการมาสร้างบุญสร้างบารมีในวันที่เราไม่ต้องไปทํางานทําการขอให้เรารู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราอย่างแท้จริงด้วยการสร้างบุญบารมีนี้ทุกเวล่ำเวลาที่เรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆแล้วสิ่งที่เราปรารถนาคือความสุข และความไม่มีความทุกข์นี้จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพนกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ด้วยอายุวันนาสุขภาระโดยทั่วหน้าการเธอ